ได้จะได้กลับบ้านนะตกหละกกรรมลำบากซะสามวันต้องมาอยู่รีสอร์ยุคนี้เรียนกรรมฐ า, านสบายสบายนะอยู่ตามรีสอร์ตตอนหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์มีกุฏิก็อยู่กุฏิมีกุฏิบางที คนเยอะปกติไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์จะให้หลวงพ่อไปอยู่กุฏิพระอยู่ในป่าอยู่ท้ายวัดอะไรเงี้ยนี่บางทีหากุติไม่ได้ไปอยู่ใต้ต้นไม้กลางเต็นต์กางกลดสนุกดีใครเคยนอน ในกรดตามป่าบ้างมีไหมสนุกนะมีบรรยากาศคนในเมืองนึกไม่ออกอะคนในกรุงเทพนะั้นบางทีพอเข้าไปอยู่ในป่าอย่าวะแต่ในป่าเลยเข้าไปอยู่ในทุ่งนาใครเคยนอนในทุ่งนาไหมเห็นไหมกลางคืนเสียงมันดังนะดังสนั่นวันไหวเลยเสียงมแมลงนะเราคนกรุงเทพ ไปนอนไม่หลับเลยหูอะไรว่าเสียงดังอย่างหลวพ่อมาอยู่ตามวัดอย่างเงี้ยมาอยู่ใหม่ๆนะเสียงดังจังกลางคืนเราอยู่ในกรุงเทพไม่ได้ยินเสียงเสียงรถยนต์วิ่งทั้งคืนอยู่ในป่ามันก็มีบรรยากาศของมันแต่ผู้หญิงไม่ควรไปนะอันตรายมากเลยกระทั่งไปตามวัดหลวงพ่อยังไม่ค่อยแนะนำให้ผู้หญิงไปอันตราย ไว้ใจใครยากยุคนี้อันตรายมากเลยเดี๋ยวนี้ผู้ชายไปก็ชางอันตรายนะพระตุ๋ยเยอะมีข่าวเรื่อยๆเลยเวียนจริงๆเลยเนีเงั้นทางที่ดีอยู่บ้านศีลห้าถือที่บ้านได้ไหมล่ะถือได้อยากถือศีลแปดก็ยังถือได้เลยอยู่บ้าน ทำสมาธิได้ไหมก็ทำได้เจริญปัญญาได้ไหมก็ทำได้อยู่บ้านเราเนี่ยแหละปลอดภัยดีแต่ข้อเสียของการอยู่ในบ้านคือมันจาเจแล้วมันมีภาระเยอะตอนนี้ต้องไปทำนี้ตอนนี้ต้องไปทำอย่างนี้มันวอกแวกไม่เหมือนอยู่ที่วัดนะที่วัดไม่มีภาระอะไรเท่าไหร่หรอกอย่างมากเช้าออกมากินข้าวไปทำวัดบ้างขวาดวัดบ้างมีงานไม่มาก คล้ายอยู่โรงแมรมภาราเราน้อยแต่ชีวิตจริงเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องภาวนาที่นั่นจะมารอว่ามาอยู่วัดแล้วภาวนาจนะมาอยู่วัดสักกี่วันจะปีหนึ่งยิ่งวัดหลวงพ่อนะมาอยู่ยากเข้าคิวกันนี่ถึงปีหกสองถึงหมดแล้วเนี่ยที่จองไว้ตั้งแต่ปีห้าห้าสองห้าสามห้าสองอะจองกันตั้งแต่ปีห้าสองจองกันสิบปี ส่วนหนึ่งตายไปแล้วไปอยู่วัดอื่นนะยังไม่ได้มาอยู่วัดนี้เลยงั้นเราจะไปหวังว่าไปอยู่วัดแล้วภาวนาอนะไรไม่มีประโยชน์เอาปัจจุบันไม่ต้องมีข้ออ้างไม่ใช่ต้องรอเมื่อนั้นเมื่อนี้ถึงจะภาวนานะมีข้ออ้างเยอะไปตามสถิติที่หลวงพ่อศึกษามาดูมานะพวกข้ออ้างเยอะนี่ภาวนาไม่เป็นหอก พวกภาวนาแบบไม่มีข้ออ้างนะภาวนาง่ายแคบบเดียวก็เป็นคนต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ถึงจะภาวนาได้เรื่องมากมีกายมีใจมีสติแค่นี้ก็ภาวนาได้แล้วงันพัฒนาสติขึ้นมานะมาเข้าคอสามวันจนะไม่ได้อะไรติดตัวไปก็ให้มีสติไว้มีสติคอยรู้ทันอย่าใจลอยไป ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วต่อไปก็รู้ให้ละเอียดที้นไปนะใจฟุ้งซ่านเรารู้พอใจฟุ้งซ่านเรารู้เนี่ยเราได้สมาธิากิเลสเกิดเรารู้เลยได้ศีลพคนทําผิดศีลเพราะกิเลสครอบงําจิตแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสเกิดขึ้นกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้ศีลมันก็มีมีโดยไม่ต้องรักษาเป็นศีนอัตโนมัติ สมาธิก็เกิดขึ้นง่ายแค่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านมันก็ตรงข้ามกับจิตมีสมาธิถ้าจับหลักที่หลวงพ่อสอนให้ดีนะจะพะว่าเราจะใช้วิธีรู้ทันสิ่งที่อยู่ตรงข้ามแล้วเราจะได้อีกอย่างหนึ่งเรารู้ทันกิเลสกิเลสนี่ตัวทาให้ผิดศีลเรารู้ทันกิเลสศีลเรามี เรารู้ทันความฟุ้งซ่านสมาธิเรามีรู้ตัวที่ตรงข้ามนะตัวตรงข้ามที่มันเป็นกิเลสนะถ้ารู้ทันปุ๊บกิเลสมันอยู่ไม่ได้สติรู้ทันกิเลสมันดับอัตโนมัติมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจศีลก็เกิดมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดจิตที่ฟุ้งซ่านมี6แบบฟุ้งไปดูฟุ้งไปฟัง ฟุ้งไปดมกลิ่นฟุ้งไปลิ้มรสฟุ้งไปรู้สัมผัสทางกายฟุ้งไปคิดนึกทางใจเวลาที่เราดูรูปเราเห็นรูปเราลืมตัวเองเวลาเราได้ยินเสียงนะเราก็ได้ยินเสียงวแหละนะแล้วเราก็ลืมตัวเองเวลาได้กลิ่นเราก็รู้ว่ากลิ่นอย่างน้อนกลิ่นอย่างนี้แต่เราลืมตัวเองเวลารู้รสเราก็รู้ว่านี่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มรสอย่างน้อนรสอย่างนี้รสอะไรก็รู้ แต่ขณะนั้นลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจเวลาลมหนาวหนามากระทบเราก็รู้ว่าวันนี้หนาวารู้อย่างนี้จะลืมกายลืมใจตัวเองอย่างหนาวใจมัชอบเนะี่ยไม่เห็นคนกรุงเทพนะหนาวหนาวชอบกรุงเทพไม่ค่อยหนาวร้อนกลางวันา่าป า, าเข้าไปแล้วสี่สิบองศานะับางที่แต่วิภาวดีนะร้อนมากมีแต่ปูน ลมเย็นมาชอบชอบแล้วรู้อะไรนี่หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีบรรพู้หลุดคนหนึ่งญาติผู้ใหญ่หลวงพ่ออยู่ที่เมืองการสาอี้เป็นสายอีกเคยขอภาวนาที่วัดภาวนาแล้วก็ฟังหลวงพ่อสอนไปเรื่อยๆอยู่หลายวันละวันหนึ่งแกก็บอกนี่ท่าน สาอีรู้หลักของการภาวนาแล้วสาอีเห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมบอกฮะนี่นะรู้แล้วนะ <c oughs> เห็นพัดลมรู้ว่าเป็นพัดลมมันภาวนาตรงไหนนะถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากแกะเอากลับบ้านรู้ว่าอยากนี้ค่อยเป็นภาวนานะรู้กายรู้ใจตัวเองเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมมันไม่ใช่กายใช่ใจตัวเองนะไม่เห็นแต่ของข้างนอก นี่คนทั่วไปนะมีตาไปดูรูปแล้วก็ลืมตัวเองมีหูได้ยินเสียงแล้วก็ลืมตัวเองมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นได้รสมีกายสัมผัสมีใจคิดนึกแล้วลืมตัวเองเมื่อไร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัตินละ้สมรถะก็ไม่มีวิปัสนาก็ไม่มีนั้นโะยนหย่อนมากเลยใช้ไม่ได้ฟุง้งซ่านไปก็พยายามรู้สึกตัวทำไมจะรู้สึกตัวรู้ทันว่ามันเผลอ รู้สึกกับเผลอมันตรงข้ามกันรู้ว่ามันเผลอก็รู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อจะสอนเทคนิคสําคัญเลยนะเนี่ยรู้สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กันะ่ะรู้สิ่งที่ตรงข้ามกันรู้ทันสิ่งที่ตรงข้ามจะได้อีกข้างหนึ่งแต่ถ้าอยู่ๆไปหาหสิ่งที่เราอยากหาหาไม่ได้มันเป็นอนัตตาหาไม่ได้อยากได้สมาธิสมาธิตรงข้ามกับความฟุง้งซ่านถ้าไม่ฟุง้งซ่านมันก็มีสมาธิก็แค่นี้เอง ฟุง้งซ่านเป็นกิเลสถ้าสติรู้ทันความฟุง้งซ่านหรู้ทันกิเลสเมื่อไหร่เกิดสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเหงือนรู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านจิตก็ไม่ฟุง้งซ่านจิตไม่ฟุง้งซ่านนั่นแหละจิตมีสมาธิง่ายๆแค่นี้เรียนศาสตร์ที่ง่ายๆตรงไปตรงมาเดียวคิดมากเองถามทํำยังไงจะเกิดสมาธิหนูภาวนามาสิบปีไม่มีสมาธิหนูจะมีสมาธิได้ไงหนูหมวัวแต่คิดว่าทํำยังไงจะมีสมาธิ คิดอยู่งั้นน่ะก็ฟุ้งซ่านสิจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านไปทางหทางหกทวารตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใ จ, ใจฟุ้งทางไหนเกิดมากที่สุดทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นหรือกายหรือใจทางใจทางใจหลับตาอยู่ฟุ้งได้ไหมอุดหูอยู่ฟุ้งได้ไหมไปได้หมดเลยนอนหลับอยู่ฟุ้งได้ไหมนอนหลับอยู่ยังฟุ้งเลย แต่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินใจมันทํางานได้ตลอดนงั้นถ้าเราจะคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะเล่นมันช่องเดียวไม่ต้องไปดูหกช่องเอาช่องที่เกิดเยอะที่สุดรู้ทันความฟุ้งซ่านทางใจเกิดบ่อยที่สุดเรียนจากของที่มีมากที่สุดไม่ต้องเรียนทั้งหกช่องเหนื่อยเอามช่องเดียวแหละถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านทางใจฟุ้งไปทําอะไรมากที่สุด ฟุ้งทางใจมีสองลักษณะหนึ่งฟุ้งไปคิดสองฟุ้งไปเพ่งนักปฏิบัติจะฟุ้งไปเพ่งแต่วันหนึ่งก็ไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ฟุ้งไปคิดใช่ไหมหลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยเล่นตัวที่เยอะที่สุดงั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตลงไปคิดรู้ตัวนี้ให้เยอะเลยถ้ารู้ทันจิตที่ลงไปคิดนะเราจะรู้ได้ทั้งวันเลเพราะมันลงคิดทั้งวันอะ จะรู้ทันตอนจิตหลงไปฟังเนี่ยหลงไปดูก็มีมากเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เท่าหลงไปคิดจะรู้ทันลิ้นกระทบรสนะจะรู้ทันตอนหลงไปรู้รสเนี่ยวันหนึ่งมันจะรู้รสสักเท่าไหร่ความจริงมันมีรสให้รู้ตลอดเวลานะอย่างในปากเราก็มีรสนะในน้ําลายมันก็มีรสแต่เราชินเราไม่รู้รสเมื่อเรารู้จิตที่หลงทางใจเนี่ยให้มากเลย เราจะเก่งเร็วถ้าไปรู้ของที่นานๆเกิดทีก็เก่งช้ารู้ของที่เกิดบ่อยๆก็เก่งเร็วตรงที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หลงไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธจิตไหลไปอยู่ในว่างๆก็รู้หรือหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้หายใจไปจิตไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจก็รู้รู้อย่างนี้รู้บ่อยๆ จิตจำสภาวะของการเคลื่อนได้จิตเคลื่อนนึกหน้าตาอย่างนี้เองมันเคลื่อนที่ไปได้การรู้สภาวะบ่อยทําให้เกิดสติเพรวังนั้นยิ่งรู้ก็จะยิ่งเร็วสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นหากรู้บ่อยๆก็ยิ่งรู้ได้เร็วเพราะจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บแต่เดิมนานๆเคลื่อนเคลื่อนไปนานๆไม่ใช่นานๆเคลื่อนเคลื่อนอยู่ตลอดแหละเคลื่อนไปนานๆ เคลื่อนไปนานเลยถึงจะรู้นสติไม่ค่อยเกิดพอหัดรู้บ่อยจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ซ้อมไปด้วยต่อไปพอกระดิกเลิกเดียวก็รู้ละสติเกิดเร็ ว, รวงั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะได้สตินะสติเกิดเร็วและทันทีที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตก็เกิดสมาธิในฉับพลันนั้นเลยงั้นตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนั้นได้สติด้วยได้สมาธิด้วย แล้วดูอย่างนี้ยซ้ําๆไปถ้าไม่รู้ไม่รู้จะเจริญปัญญายังไงนะก็ดูจิตที่เคลื่อนไปกับจิตที่รู้สึกตัวนี่แหละคือจิตเผลอไปกับจิตที่รู้สึกนี่แะเล่นมันคู่เดียวแค่นี้ก็บรรลุมรักผลได้ละมันเกิดปัญญายังไงมันจ่เห็นว่าจิตเคลื่อนได้เองแล้วจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตที่เผลอไปก็ไม่เที่ยงคนทั่วไปไม่มีจิตรู้มันมีจิตจิตหลงหลงหลงหลลงทั้งวันมันก็เลยเห็นว่าจิตหลงเที่ยงกลายเป็นจิตเราเที่ยง แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวแทรกขึ้นมาเป็นระยะระยะเราจะเห็นว่าจิตตะกี้หลงตอนนี้รู้หรือจิตตะกี้รู้ตอนนี้เริ่มหลงนะตอนที่หลงเนี่ยไม่รู้ว่าตะกี้รู้กลับมารู้ตัวใหม่ถึงจะรู้ว่ามันหลงไปแล้วนะจะเห็นว่าหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้จะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันจะเกิดจะเห็นว่าจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับคือเป็นอนัตตา จิต ท, ที่รู้ก็เป็นอนัตตาหลงก็หลงเองไม่ได้เชิญให้หลงหลงเองตรงรู้สั่งให้รู้ก็ไม่รู้แต่เกิดไปรู้ทันว่าหลงเอาดันรู้เองไม่ได้ทําให้รู้นะงั้นถ้าเราทํากรรมฐานอะไรไม่ได้นะเล่นง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปแล้รู้รเสราจแลรู้นี่แหละได้ครบเลยนะสติสมาธิปัญญาศีลเสริญได้หมดเลยนะถ้าไหลไปเรารู้เนี่ย กิเลสจะแทรกไม่ได้ศีลมันมีอยู่แล้วฝึกมากเข้ามากเข้านะศีล ส, สมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นทุกจิตทุกจิตสุดท้ายอาริยมรรคก็เกิดภาวนามาไม่ทําอะไรไม่เปลี่ยนสักอย่างหนึ่งเข้าชงเข้าชานอะไรก็ไม่เป็นนะแต่จิตไหลคลิกเห็นคลิกเห็นอย่างนี้เรื่อยๆแค่นี้ก็บรรู้แล้วเหลือเฟือแล้วฝึกไปเรื่อยเพราจิตมันรู้หลายๆรอบนะมันรู้อริยมรรคสักสามรอบ ตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องรักษาเลยตัวรู้ของเราไม่เข้มแข็งเพราะว่ามันโดนตัวหลงเอาไปกินมันหลงยังไงบ้างมันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ่มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายมันหลงออกไปซ่านออกไปตลอดเวลานี่พอเราได้พระอนาคานี่นะจิตมันไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายไม่ติดกติดใจในการบคุณอารมณ์ทั้งห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสเสียงเท่สัมผัสกายห้าอย่างจิตมันไม่ไหลไปจิตมันก็อยู่กับจิตจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตมันเป็นหลงอยู่ที่จิตอันเดียวเพราะฉนั้นนานๆมันก็หมองมองไปได้นะมัวๆได้มีโมหะ ไ, ได้เหมือนกันแล้วก็รู้ทันไปเรื่อยๆโอ้สุดท้ายตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันละว่าเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้หลงเหมือนกันหรือบางทีจิตผู้รู้เขมีความสุขมีสมนัตเวทนาบางทีก็เป็นอุเบกขาเวทนา วันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิต ท, ที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวหายไปจิต ท, ที่ไปอุเบกขาเขหายไปอีกนี่ดูอย่างนี้ก็ได้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแต่ถ้าเราทรงชานทรงชานเนี่ยจะดูจิตผู้รู้เนี่ยให้ผ่านตัวนี้ยากที่สุดงั้นพวกเราอย่าเสียใจที่เราไม่ได้ชานนะเราไม่ได้ชานเนี่ย ตอนเริ่มต้นเราจะสู้เขา้าได้ดูไปง่ายๆเลยดูไปง่ายๆอย่างเงี้ยไม่แพ้เขหรอกนะพวกเข้าชานหัวแต่เข้าชานไม่ดูเกิดดับสัทีสู้เราไม่ได้หรอกงั้นเราไปแบบลอยถ้วยของเราอย่างนี้แหละนะพุงสันเรารู้พุงเรารู้หลงเรารู้หลองเรารู้ฝึกอย่างเนี้ยแล้วพเราเป็นพระอนาคานะเราจะไม่ต้องไปเห็นทุกข์ของตัวรู้หรอก เราจะเห็นตัวรู้เนี่ยมันไม่เที่ยงตัวรู้เป็นอนัตตาแค่นี้ก็พ้ละพวกทรงชานเนี่ยตอนจะเริ่มเดินมิปัสสนาก็ไม่ชอบเดินนะชอบสงบกว่าจะหลุดออกมาเดินมิปัสสนาได้ลําบากเหมือนกันพอเดินไปได้จนถึงพระนาคาเนะจิต ท, ทรงชานจิต ท, ทรงชานมันไม่ทุกข์ให้ดูเลยนะมันสว่างสวยัยมันดีมันมีความสุขติดนะ่ะละยากที่สุดเห็นอ น, นิจจังไหม ไม่เห็นจะมีอะไรก็มีแต่ความสุขอยู่อย่างเงี้ยสว่างอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะนิจจังตรงไหนเลยเห็นอนัตตาไหมไม่เห็นบังคับได้ฝึกจิตซะดีทุกวันเลยเหมือนกันทุกวันเลยช่องออกของพวกที่ทรงฌานจริงๆนะคือเห็นทุกวันใดเห็นว่าตัวรู้เป็นตัวทุกขวันนั้นถึงจะพ้นเพราะฉะนั้นการบรรลุมรผลนะมีสามจำพวก เคยได้ยินไว้เรื่องวิโมกวิโมกสามมีอันนมิตฐวิโมกของเคยมีแล้วไม่มีปัิหิตะวิโมกเห็นเป็นตัวทุกข์เรือ่อยแล้วก็สุญญาตาวิโมกเห็นอนัตตาจิตมันเตือเองนะว่านจะเข้าช่องไหนถ้าคนทรงฌานส่วนใหญ่ไปพรหมโลกถ้าเป็นพระนาคานะก็ขึ้นพรหมโลก แต่อย่าไปคิดนะว่าพระนาคาทุกองค์ต้องไปอยู่สุทธาวาสพระนาคาอยู่ได้ตั้งแต่พรหมชั้นที่หนึ่งขึ้นไปเลยให้เป็นพรหมโลกตั้งแต่พรหมปาริสัทชาพรหมเบสิกเลยไม่ใช่ทุกคนไปอยู่สุทธาวาส5าชั้นคนที่อยู่สุทธาวาสได้ต้องได้ชาญนสี่ตายในชาญนสีด้วยแถมอินทรีย์แก่กล้าด้วย ถ้าฌานสี่เก่งอย่างเดียวอยินทรีย์ไม่แก่กล้าก็ไม่ได้อยู่สุทธาวาสอยู่ในฌานสีลนะ้วเป็นพรมในฌานสี่แต่ไม่ได้พรมสุทธาวาสเรื่องจะพ้นนะพวกที่ทรงฌานจริงจะพ้นเมื่อเห็นทุกข์ซึ่งเห็นยากเพราะมันสุขอาศัยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเคยสอนหรือครูบาอาจารย์เคยสอนว่าตัวรู้นี้เป็นตัวทุกข์นะต้องทิ้งตัวรู้นะอะไรเงี้ยมันจะเฉลียวใจ ลําพังเอาตัวรอดด้วยตัวของตัวเองนี่ยากมากเลยอยากบารมีต้องแก่กล้าจริงๆเลยถึงจะไปรอดไม่งต้องอาศัยว่าได้ยินได้ฟังเลยไม่ไว้วางใจในตัวรู้วันนึ่้เห็นตัวรู้นี่เป็นตัวทุกข์ก่อนจะเห็นตัวรู้เป็นตัวทุกข์เนี่ยโอ้จิตจะสแสวงหาทางพ้นทุกขนะ์นะดิ้นไปเหมือนวิ่งรอบภูเขาเลยจะขึ้นช่องไหนมา บางทีก็ขึ้นไปหน่อยหนึ่งและเออตันไว้ไม่ใช่ลงมาใหม่วิ่งอยู่รอบภูเขาเลยทําไงจะบรรลุพระอรหันต์ว่าทาไงจะบรรลุพระอรหันต์ว่าทาไงก็ไม่บรรลุหรอกเพราะทำเอาไม่ได้ <c oughs> พูดได้น่ายฟังง่ายแต่ใจไม่ยอมหรอกยังไงใจก็ต้องหาจนรอบภูเขาและ <c oughs> นะเพรพวกเราขอวอวยพรนะให้วันหนึ่งไปหารอบภูเขาลูกนี้นะ <c oughs> ยังไงก็ต้องเจอสภาวะศึกใหญ่ครั้งนี้นะเจอทุกคนนะ่ะถ้าเราพราวนาของเราไปเรื่อยๆนะจะเป็นโพธิสัตว์พุทธภูมิตอนจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าก็ต้องเหมือนกันแหละแนะจมพืดดินอย่างเนี้จนะเป็นสาวกภูมิก็ต้องมาตรงเนี้ทําไงจะปล่อยวางจิตได้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดเรื่องปล่อยวางจิตนะให้จิตแจมอยู่กันเนื้อกับตัวก่นกอนอย่าเพิ่งปล่อย ใจจิตตอนนี้มันก็เหมือนอยู่กลางทะเลแล้วทิ้งเรือก็เรือนี้เป็นภาระตราบใดยังยึดเรืออยู่ไม่บรรลุโดดลงน้ํำป๋อมแปมไปเลยนะอย่าทิ้งเรือต้องให้เหลือเทียบฝั่งก่อนเวลาเหลือเทียบฝั่งเนี่ยเข้ามาใกล้ๆแล้วก็โดดข้ามมาขึ้นฝั่งอย่งที่ทิ้งเรือได้ตอนนี้อย่าเพิ่งทิ้งเรือกลางทะเลต้องมีเรือคือมีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ก่อน ถ้าไม่มีจิตผู้รู้เาเรียกว่าไม่มีเรือข้ามฝั่งไม่ได้จริงหรอกพระมหาชนกว่ายน้าเนาะว่ายน้ ำ, นะนำถ้าพระมหาชนกเห็นจิตเนะก็พระมหาชนกมีเรือไม่ไว่ายน้ำลำบาก <c oughs> นี่ตอนนั้นท่านยังไม่เห็นเอา้าส่งกันบ้านส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดกัน มาสการค่ะหลวงพ่อมาวันนี้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานค่ะจะได้กลับบ้านเหนือไงมันแช่มชื่นอยู่ข้างในค่ะหลวงพ่อเวลาพอนามันแช่มชื่นนะะมันมีความสุขในผู้รู้ผููตื่นผู้เบิกบานมีความสุขอยู่ในตัวเองอ่ะดีเมื่อวานค่ะโทรไปหาลูกชายคนเล็กกลัวลูกชายคนเล็กตกเครื่องลูกชายคนเล็กบอกว่าแม่ปล่อยวางที่อยู่วัด หลวงพิเป็นโทรสั่งทันทีเลยคะเอเอต้องบอกลูกนะแม่ก็อยากปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้ <c oughs> มันยากนะให้ภ <c oughs> าวนาทําได้ดีแล้นะใจมันมีที่พึ่งที่อาศัยมีทำเป็นที่พึ่งที่อาศัยทำก็คือจิตของเราเองมีจิตเท่็ดีทำเสียจิตไปก็เสียทำไป ทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่เป็นกลางๆลางก็ที่จิตอะนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อวานก็ใช้คําบริกรรมอยู่ทั้งวันนะคะก็รู้สึกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดีแล้วก็เห็นสภาวะได้ละเอียดขึ้นนะหมายถึงว่าพอเผลอก็รู้เผลอก็รู้กับบ้านก็บริกรรมไปนะอย่างนี้ไปทําอีกมาวัดมันอยู่ได้ชั่วคราวชีวิตส่วนใหญ่อยู่บ้านมาฝึกวิธีปฏิบัติ แล้วไปปฏิบัติเอาฆ <est> ราวาสก็ทําได้นะมาผลนิพพานไม่ได้สังวนว่าต้องอยู่กับพระหรอกครับ okay, ขอบคุ ณ, ณค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อก็เริ่มเห็นว่าคือกายใจมันก็คนละส่วนแต่มันมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมคะคือคือเดี๋ยวมันก็รวมเนี่ยมันก็แยกอะไรเงี้ยคะ่ะหัดไปงั้นแหละ <est> ไม่ต้องหัดให้แยกนะ <est> ห<า> <est> ัดที่แยกจะจงใจแยกก็กลายเป็นแยกแบบผิดผิดค่ะต้องให้มันแยกเอง ทำอะไรก็ให้มันเป็นเองอย่าไปทําขึ้นมาอย่าไปจงใจนะจงใจทีไรผิดทุกทีก็จะขอตั้งใจปฏิบัติทั้งชีวิตประจําวันแล้วก็จะปฏิบัติในรูปแบบให้จริงนะกาบยู่กล้าปฏิญาณตัวต่อหน้าพระก็จะพยายามทําให้ได้ทุกวันนะคะถ้ากล้าไปปฏิญาณตัวแล้วทําจริงๆนะจะเจริญเร็วแต่ถ้าปฏิญาณแล้วไม่ทําเนี่ยจะล้มละลายต้องระวังนะตรงนี้ เมื่อออกปากแล้วต้องทําคือล้มละลายทางทางจิตใจนะใจมันจะอ่อนแอถ้าพูดว่าเราจะต้องทําแล้วเราทําได้เนี่ยเราจะเติบโตอย่างรวดเร็วนีจะมีความเข้มแข็งนะสำคัญนะในราช ก, การครับหลวงพ่อก็เมื่อวานก็จะมีกําลังเยอะกว่าวันแรกครับหลวงพ่อ <S <S 2> <S 2> ก็มีความตั้งมั่นที่จะทําภาวนาทั้งวั น, นครับดี ไปทำเอานะรู้แล้วใช่ไหมการภาวนาอาศจร์นนะแต่เดิมเราก็มืดมืดบอดบอดทุกคนอนะทนี้ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม้มาเราเริ่มเห็นแล้วขันไม่ใช่เราอยู่ที่ว่าใจจะยอมรับความจริงเมื่อไหร่ยอมเมื่อไหร่ก็ได้ธรรมะเมื่อ น, นั้น ขอถวายการปฏิบัติคะ่ะข้อแรกหนูมี3ข้อคะ่ะกันบ้านข้อแรกก็คือว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่เวลาทํางานหนูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากปรากฏว่ามีวันหนึ่งคือพี่คนนึงเขาวิจารณ์หนูจนกระทั่งหนูแบบหมดความมั่นใจเลยนะดูกลับถึงบ้านเนี่ยหนูก็คือจิตมันมันฝ่อคะ่ะหนูก็ทําในรูปแบบเหมือนเดิมเสร็จแล้วพอทําในรูปแบบเนี่ยโดยที่วันนั้นคือเหมือนมันไม่มีเรี่ยวมีแรงอะจิตมันก็เลยเห็น ตัวมานะมันดับซึ่งซึ่งซึ่งหนูไม่เคยเห็นนะคะคร<อ>าวนี้ดีมากเลยคราวนี้เวลาที่ตัวมานะมันดับคราวนี้เวลาที่กิเลสที่เราเห็นด้วยจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็เลยรู้ทันมันมากขึ้นคราวนี้หนูก็เลยทราบ ว, ว่าเวลาที่หลวงพ่อชี้แนะเวลาให้กันบ้านเนี่ยมันเหมือนจิตมันย้อนกลับไปดูกิเลสตัวนั้นมากขึ้นคราวนี้ก่อนบ้านเรื่องที่2ก็คือช่วงปีใหม่หนูมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะแล้วหลวงพ่อไม่อยู่ไปเชียงใหม่สองวันวันแรกที่หนูมาอยู่ที่นี่เนี่ยความโลภมันเกิดเยอะมาก หนูก็เลยกลับมาเฉลียวใจตัวเองว่าทําไมเวลาที่หนูอยู่บ้านเนี่ยมันไม่เป็นในลักษณะนี้หนูก็เลยบอกตัวเองว่าหนูต้องทําให้เหมือนที่หนูอยู่บ้านสิหนูก็เลยทําในรูปแบบทําความสะอาดขุดรู้สึกรู้สึกกายมากขึ้นนะคะเลยรู้สึกว่าดีขึ้นมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นคราวนี้เนี่ยหนูก็เลยเห็นว่าเวลาที่จิตมันเป็นจิตที่เป็นอกุศลมันจะเกิดมากกว่าจิตที่เป็นกุศลไม่ว่าจะกุศลหรืออกุศล ทั้งสิ้นตัญหามันจะอยู่เบื้องหลังจะเห็นตัญหาชัดมากๆพอหนูกลับไปถึงบ้านได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์ป่วยหนักค่ะป่วยจนกระทั่งคิดว่าตัวเองถ้าตายไปตอนนั้นคงแย่เพราะว่าโทรสาะมันแทรกตลอดก็เลยขอเรียนถามหลวงพ่อว่าคือรู้ว่าถ้าเผิดไปตอนนั้นลงอบายแน่ๆค่ะไม่รู้จะเอาตัวรอดอยังไงถ้าจะตายจริงจิตจะไปอีกแบบหนึ่งอันนี้จิตมันรุนว่าจะหายมันก็เลยโมโห ใช่ค่ะโทรสามมันแทรกตลอดแต่ถ้ามันรู้ว่าตายจริงนะจิตจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งจิตมจะเด่นดวงขึ้นมาเลยมันยอมละนะอย่าไปกลัวพ่อน้าไปเถอะค่ะหนูตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าตอนที่หนูมาปฏิบัติที่วัดเนี่ยหนูขอขมาคุณแม่มาแล้ววันนี้มีโอกาสก็เอมาพ่อได้คะรับทราบนะพวกเราเดนนี้ดีแล้วแต่ก็ชอบอาโหสิกรรมขอโหสิกรรมขอกขอกันไม่ได้หรอกขอขมาถูกต้องแล้ว หลวงพ่อมีอะไรเพิ่มเติมให้กันบ้านเพิ่มไหมคะจะทำต่อสินหน้าหนูเห็นกิเลส ต, ตัวหลักของหนูแล้วตัวมันะตัวเนี้ยถ้ารู้ตัวนี้นะ่หนูจะน่ารักกว่าเก่า <c oughs> คนที่เขาทํางานด้วยอะไรด้วยเขาจะรู้สึกดีค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูเห็นเพิ่มเติม <c oughs> อีกนิดเที่ยวค่ะคือว่าเวลาที่หนูหนูคิดว่าหนูเคลื่อนไหวแล้วหนูจะรู้สึกตัวได้ชัดขึ้น <c oughs> ตอนแรกไปหลงดูลมหายใจอยู่ตั้งนานเป็นปีค่ะตอนนี้เลยกลับมาปริกรรมแบบนี้ดีกว่าเอดูไปเห็นร่างกายมันทํางานค่ะขอบคุณค่ะ นำ้ำมศการหลวงพ่อคะ่ะคือเอเมื่อปีครึ่งที่ผ่านม า, าหนูมีโอกาสได้มาส่งการบ้านพูดถึงเรื่องการที่เห็นความคิดนะคะแล้วก็เห็นมันเหมือนเป็นน้ําพุ ท, ที่มันพุดออกมาจากบ่อท่านี้หลวงพ่อก็บอกโยมว่าโยมไม่เป็นกลางอท่านี้โยมก็กลับไปดูปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็เห็นความคิดที่มันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วโยมก็เห็นว่าทุกเช้าเนี่ยคือตื่นมากายยังไม่ตื่นเลยจิตมันไปคิดได้เองใช่ถูก อั น, นี้มีสภาวะหนึ่งที่โยมเห็นขณะที่โยมสะผมอยู่โยมจะเห็นว่ากายเนี่ยมันขยี้หัวอยู่จิตมันก็ไปคิดแล้วมันก็มีตัวรู้ที่มาเห็นสามส่วนนี้มันแยกออกไป แ, กแล้วณนะเวลานั้นคือมันไม่มีคำพูดแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าในเนี้มันไม่มีเราคือหลวงพ่อสอนเรื่อยเลยนะว่เาเราปฏิบัตินะให้เรารู้ความรู้สึกออกเราใช้ความรู้สึกเราไม่ได้ใช้ความคิดออกนะ ในความรู้สึกที่แท้จริงเนี่ยจะพระว่าไม่มีตัวตนหรอกแต่ตัวตนมันอยู่ในความคิดคืออย่างนี้หมายความว่าโยมเห็นความจริงใช่ไหมคะเห็นปิจจริงสิ <c oughs> เห็นอะไรบ้างเห็นรูปที่เคลื่อนไหวเห็นสังขารที่มันปรุงไปจิตเป็นคนดูมี3ตัวค่ะทีนี้อีกข้อหนึ่งคือระหว่างที่โยมทำํำรูปแบบ บางครั้งเนี่ยโยมนั่งแค่เห็นลมหายใจแค่สามสี่ครั้งเนี่ยแล้วโยมจะเห็นความไหวที่เกิดขึ้นข้างในแต่มันจะเป็นความไหวหรือความสัส่นสะเทือนโยมก็ไม่ค่อยแน่ใจมันอยู่ที่ไหนกลางอกไหมมันอยู่ข้างในอะะแต่ไม่ทราบเออ ถ, ถูกแล้วละ่ะ น, นัน<ะ>มันสะเทือ น, นขึ้นจากเนี้ย<า>ขึ้นมาอันนั้นคือจิตมันละเอียดหรือว่าอย่างไรคะสังขารมันละเอียดจิตมันเป็นคนดูแล้วคือบางครั้งหลังๆเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรอยู่ในรูปแบบออยู่เฉยๆก็จะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันถู ก, กแล้วล่ะพอมันชํานาญนะมันเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยแล้ว ต, ต, ต่อไปจะน่ากลัวกว่า น, นั้น <c oughs> เห็นทั้งตื่นและหลับแล้วถัดไปจากนั้นก็จะทุกข์เหลือเกินโลกนี้เต็มไปด้วยทุกข์มีแต่ความสั่นสะเทือนแล้วพอเหนื่อยมากๆนะเราทําสมถะนะบอกล่วงหน้าไว้ก่อนที่ <c oughs> พักจะเหลือที่เดียวคือสมถะ สมถะนีิยมควรจะดูลมหายใจหรืออะไรก็ได้ดูร่างกายหายใจอย่าไปดูลมดูลมเดี๋ยวเครียดไปจ้องแล้วเดินจงกรมได้ไหมคะได้เดินเป็นก็เดินได้มีขาเรายังเดินไหวเราก็เดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่าไปดูขานะเหมือนเวลารู้ลมหายใจก็อย่าไปรู้ลมหายใจอย่าไปดูที่ลมเห็นร่างกายมันหายใจนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะยมก็ดูตามที่โยมดูไปเรื่อย ต้องทําในรูปแบบนะการภาวนาเนี่ยมันมาขั้นเข้ามาในขั้นที่ละเอียดละมันเห็นสภาวะความปรุงแต่งขั้นละเอียดไหววับวั บ, บ, บ, บ, บอยู่ข้างในนะ <คะ S 1> ือนถ้ามันเหนื่อยขึ้นมาก็ทําความสงบไปทําในรูปแบบทุกวันจะได้แรงรการนมัสการหลวงพ่อค่ะขอห<อ><ม>ลวงพ่อเมตตาพอดีว่าเหตุเกิดเมื่อวานหนูออปวดศีรษะใช่<ม>แล้วตอนไปอาบน้ําเออก็เหมือน สระผมแล้วก็ดูความเจ็บไปค่ะแล้วก็เห็นสีสะเป็นกลายเป็นก้อนหินหหจับผมกลายเป็นอีกอย่างหนึงห่งสักพักหนึ่งก็เลยคิดว่ากลับมาส่องกระจกแต่ความเจ็บก็ยังไม่หายก็เลยมองว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่เราใช่ไหมเออก็เกิดอาการเซ็งออกมามเออไม่มีก็ไม่มีเสร็จก็ไม่หายปวดหัวคือมันเจ็บ <c oughs> ความเจ็บ <c oughs> ปวดหัวเนี่ยนะไ ป, ไปดู <c oughs> ปวดหัวมันไม่หายหรอก ไอตัวที่เรามีสติแล้วหายทันทีนะคือกิเลสนะปวดหัวไม่ใช่กิเลสนะอย่างเราเป็นไข้ปวดหัวเงี้ยนะเราดูยังไงก็ไม่หายหรอกไม่ว่าดูกายหรือดูจิตนะแต่เราไม่ได้ดูให้หายเราดูให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้แล้วไงอีกเสร็จทีนี้พอดีว่ามันก็เหมือนแบบหนูไม่แน่ใจว่าคือจริงๆเหมือนเหมือน ทุกวันทุกวันจะพยายามดูสภาวะใช่ไหมคะแต่ก็เหมือนแบบเออบอกไม่ถูกแต่อย่างตอนเนี้ยคะ่ะพอมาอยู่ในนี้รู้สึกเหมือนมีคลื่นมันครอบร อ, บอบมันทำให้ทุกอย่างมันดูเบลอไปหมดอือันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแบบให้ให้รู้ที่จิตเราครอบครอบอย่างเี้ยเราเบลอแล้วใจเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบเนี่ยตัวที่ใจเราเนี่ยไม่มีอะไรครอบได้เลยมันครอบอยู่ข้างนอกนั้นใจเราไม่ชอบมันเนี้ยรู้ว่าใจไม่ชอบ ให้รู้อย่างนี้นะรู้เข้ามาให้ถึงใจใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบเนี่ยเราั้นเวลาเห็นสภาวะไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรอ๋อใช่เพราะว่าขี้สงสัยแล้วพ อ, อ, อชอบนะอยากหรอเนื่องจากมันฟุ้งออกไปให้รู้ทันเข้ามาที่ใจเลยว่าใจกําลังไม่ชอบใจกําลังสงสัยอะไรดูอย่างนี้เลยถึ ง, งเรียกว่าภาวนานะค่ะเราแลยวคือ หนูต้องทํำยังไงต่อนี่ไงให้รู้รู้ให้ถึงใจจริงๆริก <_ amid st> <ๆ>็คือปัจจุบันที่รู้อยู่นี่คือไม่ถึงใช่ไหมคะยังไม่ถึงยังไม่ได้ดูใจเลยคมันไปดูของอื่นเช่นไปดูไว้ที่ครอบใจไม่ชอบให้ดูที่ใจไม่ชอบให้รู้ตรงนี้คใจสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยใจวิ่งไปหาแล้รู้ว่าใจฟุงรร่งซ่านอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าดูได้ถึงใจนะไอ้ภาวนาเอาให้ถึงใจนะ รับนวมส ก, กัญญหลงพ่อค่ะก็หนูปฏิบัติในรูปแบบพยายามทำกับทุกวันจริงจังมาหนึ่งปีเจ็ดเดือนนะคะอะไรนะพยายามทำในรูปแบบแบบจริงจังค่ะก็คือทาพยายามทำทุกวันเช้ากับก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, คะก็รู้สึกว่า มันถึงใจมากขึ้นนะคะหลวงพ่อก็คือมันเริ่มเห็นแล้วว่าความจริงเราก็แค่เหมือนกับเห็นหเห็นเขาทํางานใช่เห็นตอนนี้เขาสั่นเขาสั่นเองค่ะใช่นะหนูก็ไม่บังคับรู้ทำถูกแล้วหลวไม่ต้องบังคับมัน<ะ>เราดูยจนกระทัง่งใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกไอ้ของที่มีอยู่ก็เลื่อนแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งหมดเลยะดูอย่างนี้แหละค่ะกลับน้ำมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองเจ้าคะ mm hmm. ่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วไปส่งที่หาดใหญ่มานะเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อสภาวะตอนนี้ก็เห็นทั้งโทสะ mm hmm. โลภะโมหะ mm hmm. ที่แรกเนี่ยจะเห็นตัวโทสะเยอะมากค่ะ mm hmm. ลงลงมา ก, ก็ช่วงหลังๆมาก็ไม่ค่อยเห็นแล้วตัวโทสะเห็นตัวโลภะมากกว่าเ yeah. พอต่อมาอีกก็โรภพะก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นตัวหลงไปมากกว่าเนี่ยแหละมันละเอียดเข้ามันจะเป็นตัวหลงค่ะแล้วแล้วทีนี้ก็ช่วงนี้ค่ะจะเห็นตัวมานะมันมีความ อ, อ, อยากจะทำในรูปแบบอยากจะทำอย่างโน้นอย่างนี้คือมันมันมีความมานะเพิ่มขึ้นแต่พอทำในรูปแบบไปสักพักนึง มันก็จะมีตัวขี้เกียจเข้ามาไอ้นั่นไม่ใช่เรียกตัวมานะนะเรียกตัวอุตสาหะอุตสาหะอ้ามานะเป็นชื่อกิเลสกูเก่งกูเก่งเลยหรือกูแย่กูแย่ค่ะก็เห็นตัวกูเก่งด้วยเหมือนกันค่ะบางวันเห็นตัวเองว่าภาวนาดีเห็นเห็นจิตตัวเองหลงไปดีก็มีตัวกูเก่งด้วยเหมือนกันนั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่ามานะค่ะเป็นเป็นบางวันส่วนเนีที่ตั้งอกตั้งใจขยันภาวนาเนี่ยอุตสาหะอุตสาหะทีนี้ สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเจ้าค่ ะ, อะพอกลับไปเจริญวิปัสนาทีแรกที่หลวงพ่อให้กันบ้านเมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวโหสาหนูก็กลับไปดูพอไปดูเสร็จก็มันกลับมาเหมือนเดิมก็คือแปลงฟันในห้องน้ำแล้วก็เห็นตัวเองมันมีความรู้สึกเฉยๆว่าตัวเองเป็นเหมือนซากศพที่แบบ เออผอมๆเหมือนตัวไม่มีเนื้อไม่มีไหนังกำลังอ้าปากอยู่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเราเรารู้อย่างนั้นแหละค่ะพอเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนเดิมค่ะดูไม่ทันก็หลบอีกค่ะแล้วก็กลับมาดูเพื่อให้รู้อีกทีก็ก็ดูไม่ได้เจ้าค่ะก็มันให้ดูได้แป๊บเดียวก็แวบกนึงเจ้าค่ะก็ก็กลัวอีกก็หลบอีกก็ไม่ได้อีกเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เอนั่งอยู่ในรถ อยู่กับแฟนกำลังคุยกับแฟนอยู่มือไปจับแฟนเจ้ค่ะจับแขนแฟนเห็น <os> <He S 2> มือของตั ว, ตวเองเนี่ยค่ะเป็นเหมือนอ่หอหวีกล้วยน้ำว้าค่ะ ม, มันมีความรู้สึกอย่างไงหนูก็สงสัยว่ามันคืออะไรก็หันไปมองหน้าแฟนคิดว่าออคิดไปเองหรือเปล่าแล้วหันกลับมาดูอีกทีมันก็เป็นเหมือนกล้วยน้ำว้าจริงๆเลยค่ะ ก็ก็สงสัยเจ้าค่ะอแล้วก็แล้วก็มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเป็นยังไงเราไปเห็นรูปเข้านะแต่ใจเรามันฟุ้งไปซะก่อนค่ะแล้วแล้วต่อมาก็เห็นเหมือนเดิมอีกเจ้าคาะเห็นตัวเองแปลงฟันในห้องน้ําก่อนที่จะมาที่นี่ได้ประมาณนี้ดีกว่าหนูพ่อสอนเลยก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวหนูเห็นเป็นลายวันยาวหนูพยายามรู้สึกตัวไว้นะ หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะสมาธิมันจะได้เพิ่มขึ้นนะไม่งนโมหามแทรกด้วยใจมันจะมึนๆหมัวๆไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกก่อนนะมีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกถ้าหายใจเข้าก่อนนันจะแน่นไปหายใจไปแล้รู้สึกไปนะแล้วต่อไปเนี่ยความรู้สึกต่างๆมันจะเกิดขึ้นเราจะรู้ได้ชัดเราจะเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกไม่ใช่ตัวเรา ตอนนี้มันเห็นสมาธิไม่พอใจมันไปฟุ้งซ่านส ก, ก่อนอที่เรามานี่เป็นลงรูปนี้หมดเลยใจมันไปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปเลยจิตมันสงสัยเยอ ะ, อะนะเพราะนั้นใจมันฟุ้งไปเพราะั้นหายใจหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะไปฝึกตัวนี้ให้เยอะๆค่ะข อ, ขออีกนิดนึงเจ้าขัหลวงพ่อเออมันมีสภาวะที่ว่าเออรู้สึกว่า มันไปจับสภาวะจิตของคนอื่นได้แล้วบางทีหนูไม่อยากไปรู้เรื่องของชาวบ้านเลยอืบางทีเห็นตัวโกรธของชาวบ้านเห็นตัวโลภเห็นตัวหลงแล้วก็อยู่กับคนมากๆแล้วมันอึดอัดมันแน่นมันเป็นทุกข์มันสังเกตไหมตอนที่หนูไปเห็นเขากูเก่งมันก็เกิดนะค่ะนี่ยให้รู้ตัวนี้ดูของเราดูกิเลสของเราค่ะแล้วพอเราเห็นไปดูกิเลสเขาปุ๊บแล้วก็เห็นกิเลสของเราทุกทีเลยนะทีหลังมันเข็ดไม่อยากดูหรอกค่ะ หลับหลวงพ่อค่ะครั้งปีกว่าๆส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าดูดูเป็นแล้วแต่แรงไม่พอค่ะทีนี้พอดีหนูติดบังคับค่ะแล้วก็ทีนี้พอเห็นแล้วมันมันก็เบาลงแล้วมันก็เบิกบานแล้วมีความสุขขึ้นค่ะหลวงอตอนนั้นต้องอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันจะฟุ้งอยู่ข้างในค่ะค่ะไว้ฟุ้ข้างในไม่ห้ามนะค่ะไม่ห้ามแล้วใจเราสบายเป็นคนดูนะเห็นใจมันฟุ้งไปเราดูอย่างสบายใจมีความสุข อย่างนี้ถึงเรียกว่าดูเป็นขอกันบ้านหลวงพ่อไปทําต่อค่ะไปทําอีกสิไปทําอีกสองปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้อย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆครับให้ดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยครับ<ต>สังเกตไหมว่าใจมันจะกระปรีก้กระเปรากว่ะนะจะไม่เฉย อ, อยู่จะเห็นกายเห็นใจนทํางานจิตใจเราก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าอย่างนั้นใช้ได้ เหมือนเหมือนจะมีความสงสัยว่าไอ้กรรมฐานที่ทําอยู่มันหลวมไปป่ะครับมันพอดีพอดีถ้ามันแน่นวันนี้มันจะนิ่งอย่าให้มันแน่นนะแต่ว่าถ้าหลวมจันจฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามาเป็นระยะระยะลืมมันใจลืมกรรมฐานไปรู้สึกตัวใหม่หายใจรู้สึกเอาใหม่เวลามันไปติดนะมันติดล็อกนะอย่าไปแก้โยนมันทิ้งไปเลยรู้สึกเอาใหม่ง่ายกว่ากันเยอะเลย ว่จิตมันเกิดดับตลอดไปแล้ตัวนั้นผิดแล้วไม่ต้องไปรักษาม่ต้องทิ้งมันไปเลยมันแข็งแข็งไปแล้วเริ่มรู้สึกอะไรรู้สึกรู้สึกครับน้ำส ก, กายของหลวงพ่อส่งกับบ้านเมื่อล่าสุดเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับตอนนั้นคือมีโอกาสได้บวชระยะสั้นก็คือเป็นบวชมาบวชพระประมาณสองเดือนแล้วก็ก่อนศึกนี้วมีโอกาสมาการาบหลวงพ่ อ, อแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าจะจะเพิ่งรีบศึกแล้วก็ทุกอย่าก็คือบอกว่าใช้มีหารทําคือบอกให้ดูจิต หลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยฮะก็คือนำแต่ละแต่ละแต่หลังที่หลวงพ่อบอกว่าอยากพึ่งึกผมก็เหมือนกับติดมันดื้อก็ศึกมาก็คือใช้ชีวิตเหมือนคาราบะ ท, ทั้งไปจะทำงานแล้วมันเหนื่อยแล้วมันเครื่องจนทุกข์เนี่ยฮะมันฟุ้งมันอะไรไปฮะก็แบบเหมือนภาวนาแบบคลุกฝุ่นเหมือนกันฮะ ม, มันมันถ้าศึกไปนะ้ํานจะคลุกฝุ่นช่วงหนึ่งเป็นปกตินะแล้วก็ในที่สุดเราก็ปรับตัวได้สามารถอยู่กับฝุ่นได้สบาย ตอนนี้เหมือนเหมือนก็เริ่มจะชินมากขึ้นครับครับอตอนนี้มันตั้งหลักได้แล้วครับพอนาต่อได้งาบน้ำมรสการหลวงพ่อคะ่ะยงกับขอความเมตตาขอการบ้านหลวงพ่อคะ่ะก็พอได้นะทำได้อยู่แต่เป็นนี้ก็แค่รู้สึกตัวเรื่อยๆดูร่างกายเยอะหน่อย เพอเราอายุเยอะขึ้นอยู่ๆไปนั่งสมาธิดูจิตดูใจเดี๋ยวจะหลับง่ายเราก็เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไปรู้สึกตัวไปนะถ้านั่งก็อย่านั่งเฉยๆมีพัฒสักอันนั่งขยับไปรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเลยนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วถ้าความรู้สึกในใจเกิดก็รู้เอารู้กายรู้ใจอยู่เราก็ไม่พลาดหรอกค่ะธรรมสการค่ะ mm hmm. อืม มันไปเห็นตัวกูเก่งอะคะอ่ะเห็นมันเหมือนมันสทรกอยู่ในท่านั่งท่าพูด อ, อะไรอย่างเนี้ยคะ่ะดีดีที่เห็นนะไม่ใช่ดีที่มีนะ <c oughs> แล้วหนูเนี่ยครูบาเนี่ยตอนบทใหม่ๆนะแค่ที่ชู่โยนลงถุงขยะเท่านั้นอนะยังมีกูเก่งเลยนะแล้วเขาเห็นด้วยเหรอกเก่งอะในพ่อนาดีนะ <c oughs> เรามีตรงไหนที่หนูต้องระมัดระวังนหนูดูความใจร้อนไว้จะเอาเร็วเร็รีบรุกรีบรุกรนไม่ได้นะกลักบธรรมชาติการเจ้าค่ะก็มีโอกาสส่งการบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะก็ดีแล้ว <neighbourhood S 1> ล่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไม่เป็นไรดูออกไหมกายกใจเป็นโคนละานยังไม่ออกค่ะรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจเป็นคนละานกันสุขทุกข์ดีชั่วโลภหลดหลงอะไรเนี้ย เป็นสิ่งที่ใจไปเห็นนั้นถนัดดูจิตน ะ, ะแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆสุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้แล้วเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเวค่ะเดีวอย่างนี้เรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วกราบน้มัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูส่งการบ้านครั้งแรกคะ่ะปฏิบัติมาหลายปีแล้วคะ่ะอืแรกๆ ก, ก็เห็นความโกรดก่อนคะ่ะเห็นความโกรดเห็นความทุกข์ พอเห็นความโกรธความโกรธดับลงค่ะหลวงพ่อใช่ต่อมาค่ะเห็นความโกรธความโกรธไม่ดับค่ะเอ๊ะทําไงความโกรธไม่ดับเห็นตัวอยากให้ดับค่ะหลวงพ่อเห็นตัวอยากให้ดับก็ดับลงทั้งสองตัวค่ะความโกรธดับความอยากดับต่อมาเห็นความทุกข์ค่ะหลวงพ่อความทุกข์แยกออกไปแต่ความทุกข์ไม่ดับความโกรธไม่ดับนะคะความโกรธยังอยู่แต่ความทุกข์ดับก็มีค่ะเหมือนมัน มันแยกออกไปเป็นอีกตัวนึ่งเออตัวทุกข์มันเป็นตัวเวทน า, <ข>าตัวโกรธเป็นตัวสังข า, ขาขรคขาละขันกันค่ะหลวงพ่อห น, หนูหนูอ่านเรื่องขันท่าแล้วหนูชอบค่ะหนูก็เลยพยายามที่จะอยากรู้มา น, นะคะแต่ปัญหาของหนูก็คือว่าตอนเนี้ยค่ะมีความโกรธหรือมีความทุกข์แล้วประกวดก็เป็นอารมณ์ที่แรงแรงๆค่ะหลวงพ่อมันไม่มันไม่ออกไปเลยค่ะมันมันอยู่รวมอยู่ในนี้แล้วก็ เออเราเห็นเราอยากให้มันดับหรือเปล่าก็พยายามที่จะรู้ความอยากมันเหมือนมันซับซ้อนขึ้นนะคะหลวงพอ่อคือคือให้รู้ทันใจที่อยากนะอยากสำคัญเลยคืออยากรู้พออยากรู้เนี่ยจิตจะสแสวงหาจิตสแสวงหาจิตก็ยิ่งปรุงแต่งยิ่งซับซ้อนยิ่งดูยากขึ้นงั้นจริงๆแล้วใจทุ ก, ก็รู้ว่าทุกนะใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ไปง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอะไร แล้วช่วยน้ดนะที่มันตันๆนะหนูควรทํำไงคะทิ้งมันไปเลยไหมคะที่ตันๆรู้ว่ามันตันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแค่นี้เองบางทีหนูโยนมันทิ้งไปเลยแล้องไปหาสิ่งอื่นทําใหม่ได้ถ้ามันแก้ยากไม่ต้องไปแก้มันนะถ้าทํากรรมฐานแล้วไม่รู้จะไปยังไงแล้วก็ทิ้งไปเลยเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ง่ายกว่าขอพระคุณค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะยอมขอการบ้านค่ะฮะเอาเลยนะ <laughs> ดูไปเรื่อยๆดูเล่นๆดูมันดูคนอื่นเห็นร่างกายนี้เหมือนเห็นคนอื่นเห็นจิตใจเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเหมือนเห็นคนอื่นมันเป็นเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวนะดูดูห่างๆดูสบายๆดูแบบธรรมดาธรรมดาธรรมชาติถามในมรสกการหลวงพ่อคะ่ะคือ ฝังหลวงพ่อเมื่อตอนเดินธันวาค่ะที่หานใหญ่ออืแล้วก็ตามมาเข้าคอสที่นี่อ่ะค่ะก่ อ, อนหน้านี้ก็คือนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมอืมแล้วอยู่ๆก็จะได้ยินจิตไหลไปทางหัวค่ะแล้วทุกวันนี้มันจะไหลไปเรื่อยๆห้ามไม่ได้อะมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เราไม่ได้ฝึกห้ามด้วยนะไหลเรารู้ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆไหลเรารู้นะไม่ใช่ห้ามไหลนะแล้วมันมันรู้มากเกินอ่ะมันรู้ถี่ขึ้นเออรู้บ่อย รู้บ่อยๆก็ดีแต่เห็นเลยจิตเกิดดับเรื่อยๆเดี๋ยวเขไปเดี๋ยวเขาไปเห็นมันเกิดดับไม่ได้ไปบังคับมันให้นิ่งนะเราไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสูขไม่ได้เอาสงบแต่ให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นเองไปดูในมุมของอนัตตาว่ามันเป็นเองนะมุมอื่นเอาไม่ลงหรอกแล้วแล้วต้องทํำยังไงต่อคะนี่งไงไปดูดูจิตใจนะเห็นจิตใจมันทํางานได้เองเราไม่ได้สั่งมันมันทํางานเองดูอย่างนี้เรื่อยๆ ก็ต้องคอยรู้กายรู้ใจอีกนะก็ ค, คอยรู้สินะไม่งั้นเดี๋ยวลืมต้องหัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วการนั่งสมาธิแล้วมันจะทําให้มันเกิดถีขึ้นอะคะ่ะก็ดีนี่ยิ่งถี่ก็ยิ่งดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านก็ทําความสงบไม่ดูเกิดดับพอมีแรงแล้วค่อยไปดูเกิดดับใหม่ตรงที่มันถียิบขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะจิตไม่มีสมาธิจิตมันฟุ้งซ่าน มันเลยเกิดดับเร็วถ้าจิตมันมีสมาธิมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆดับนิ่มๆไม่รีบร้อนเถ<อ>้าะฉะนั่นถ้าคว ร, ร, ค, วรควรทำใจสบายๆอย่าไปนั่งให้หลับนะนั่งรู้สึกตัวไปสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูสบายๆ บ, บริกรรมเมตตาไปด้วยก็ได้อะกับบ้าน